าไทยพี่น้องทั้งสี่กะละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆมีคนหาปลาอาศัยอยู่กับลูกของเขาทั้งสี่คนลูกของเขาชื่อว่ารอปโคลอเล็กซ์และแฮร์รี่ชายหาปลายากจนมากการขายปลาเป็นเพียงรายได้อย่างเดียวของเขาและรายได้ของเขาเพียงพอแค่เลี้ยงดูครอบครัวของเขาเท่านั้น เขาไม่มีอะไรให้ลูกเขาไปมากกว่านี้วันหนึ่งเขาเรียกลูกของเขามาและบอกกับลูกๆว่าลูกๆฟังนะพ่อไม่มีอะไรจะให้ตอนนี้ลูกอายุมากพอที่จะออกไปสู่โลกภายนอกแล้วออกไปหาอาชีพและพยายามให้ดีที่สุดแต่ว่าท่านพ่อเราไม่รู้เรื่องการค้าหรือว่าศิลปะเลยแล้วเราจะทำอะไรถ้าเราออกไปจากบ้านนั่นคือสิ่งที่ลูกต้องตามหา ลูกต้องออกไปหางานทําและลูกต้องรู้ว่าลูกต้องทำอะไรแต่ท่านพ่อเราไม่เคยเออกไปจากเมืองนี้เลยลูกพ่อไม่มีอะไรแปลกพ่อไม่อยากให้ลูกเป็นคนหาปลาเราทำรายได้ไม่ค่อยได้จากอาชีพนี้เลยออกไปหารายได้และทำกำาไรจากการค้าได้เลยท่านพ่อถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านต้องการเราก็ควรที่จะไป ใช่แล้วท่านพ่อเราควรจะไปพี่น้องทั้งสองบอกลาพ่อของตัวเองและออกไปหลังจากเดินทางไปสักพักเขาเห็นทางแยกทั้งสี่ซึ่งแยกไปคนละทางรับพูดกับพี่น้องของเขาว่าฉันคิดว่าเราทั้งสี่คนต้องเลือกทางพวกนี้แล้วเราสี่คนจะเจอกันที่นี่หลังจากสี่ปีเอาอย่างที่พูดพี่ชายเอาอย่างที่พี่พูดพี่ชาย พี่น้องทั้งสี่แยกไปคนละทางบนถนนรอบเจอชายคนหนึ่งในระหว่างทางนี่เพื่อนทางนี้ทางตันนายจะไปไหนฉันต้องเรียนรู้การคา้าการค้าเรื่องอะไรก็ได้ที่ฉันสามารถทำรายได้ให้ตัวฉันเองงั้นก็มากับฉันเซฉันจะให้นายไดกลายเป็นจรที่เก่งที่สุดไม่ฉันอยากได้เงินมาอย่างซื่อสัตย์ฉันไม่อยากเป็นโจร ฉันอยากอยู่แบบอิสระและไม่โดนจับอยู่ในคุกนี่ฟังนะใครจะพานายไปเข้าคุกล่ะแค่เรียนทักษะและไปใช้ในทางที่ดีรอบตอบตกลงกับเขาเขาคิดว่ามันไม่ผิดที่จะเรียนเกี่ยวกับการค้าแล้วร็อบก็ไปกับเขาเขาสอนร็อบเกี่ยวกับทักษะการหยิบของ ที่ไม่ว่ารับจะต้องการอะไรรับก็เอามาอย่างง่ายได้โดยที่ไม่มีใครรู้ขณะที่โคกําลังเดินโคก็เดินถึงจุดที่แม่น้ำไหลแถวนั้นก็มีบ้านอยู่แค่หลังเดียวและไม่มีอะไรอยู่รอบด้านเป็นไม้เขาเห็นชายคนหนึ่งยู่อยู่ที่ริมแม่น้ําเขาถือเครื่องมือที่ทําด้วยแก้วแต่ว่าโคไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงเดินเข้าไปหาชายคนนั้นนี่เพื่อน ได้ทำอะไรอยู่เหรอด้วยเครื่องนี้จะทําให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆมันเรียกว่ากล้องส่องทางไกลสิ่งนี้มันน่าสนใจมากเลยช่วยสอนท่นหน่อยได้ไหมถ้านนาอยากจะเรียนฉันก็จะสอนให้โคอาศัยอยู่กับผู้ชายคนนี้ชายคนนี้สอนโคเกี่ยวกับทัากษะการใช้กล้องเพียงไม่กี่เดือน โคกลายเป็นผู้ที่ชำนาญด้านกล้องสองทางไกลนายเข้าใจได้เร็วมากท่านนายอยากจะไปนายก็ไปได้เลยใช่นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วฉันต้องไปแล้วละ่ะเอาละ่ะเอากล้องสองทางไกลไปด้วยกล้องอันนี้จะทําให้นายเห็นทั้งบนโลกและบนท้องฟ้าพี่คนที่สามอเล็กซ์เจอกับนักล่า เข้าอาศัยอยู่กับนักล่าและเรียนทักษะการล่าสัตว์ทุกยอย่างอเล็กนี่มันหลายวันแล้วที่นายฝึกอยู่ในทุ่งนี้วันนี้เราไปฝึกในป่ากันดีกว่ามาดูกันว่านายจะเล็งได้ตรงเป้าไหมถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเคลื่อนที่ตกลงทั้งคู่เข้าไปในป่าที่ที่นักล่าแสดงให้อเล็กซ์ดูว่า การเล็งธนูไปที่กวางที่กำลังวิ่งอยู่นั้นทำยังไงและลูกศร น, นั้นยิงถูกกวางและฆ่ากวางอเล็กถึงตานายยิงลูกศรแล้วอเล็กเล็งลูกศรไปที่นกที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าเขาก็ยิงพลาดอเล็กนายยังคงต้องฝึกต่อไปหลังจากนี้เราควรเข้ามาที่ป่าเพื่อฝึกทุกวันอ๋อได้เลยทุกวัน นักล่าจะพาอเล็กซเข้าไปในป่าเพื่อฝึกฝนและในที่สุดอเล็กซก็สามารถยิงได้ถูกเป้าและไม่พลาดเป้าเลยแม้แต่น้อยเขาได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะของการล่าสัตว์เยี่ยมมากอเล็กตอนนี้การเล็งเป้าของนายดีมากนายได้เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับการล่าแล้วขอบคุณมากพี่ชายนายช่วยฉันได้เยอะเลยมันเป็นเพราะว่านาย ทำให้ฉันได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ตอนนี้ฉันจะกลับบ้านไปเพื่อไปช่วยพ่อของฉันแน่นอนนายไปได้เลยเอาลูกศรและคันธนูไปด้วยมันจะช่วยนายได้เยอะและน้องคนสุดท้ายแฮร์รี่ได้ไปถึงหมู่บ้านที่เขาได้เจอกับช่างตัดเสือ้อโอ้น้องชายนายคือใครแล้วมาทําอะไรที่นี่ ฉันชื่อแฮร์รี่และฉันจะมาเรียนรู้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการค้าเอาล่ะบอกฉันมาสิว่านายอยากเป็นช่างตัดผ้าไหมฉันจะสอนให้แน่นอนสิทำไมจะไม่ได้ล่ะฉันอยากจะเรียนแฮร์รี่อาศัยอยู่กับช่างตัดเสื้อช่างตัดเสื้อสอนแฮร์รี่เกี่ยวกับศิลปะ ก, การเย็บผ้าทั้งหมดเขาอธิบายให้กับแฮร์รี่ได้ฟัง เขาอธิบายให้แฮร์รี่ทราบถึงความซับซ้อนที่สุดของงานเช่นการร้อยเข็มการจับผ้ามือนหนึ่งก่อนที่จะเย็บเข้าด้วยกันเขาสอนทุกอย่างให้กับแฮร์รี่เมื่อเวลาผ่านไปแฮร์รี่เรียนรู้ที่จะตัดเย็บเป็นอย่างดีช่างตัดเสื้อมีความสุขมากกับแฮร์รี่ที่เขาทำงานหนักและจริงใจและในขณะที่แฮร์รี่ออกไปช่างตัดเสื้อได้ให้เข็มกลับได้และพูดกับเขาว่า ฉันดีใจกับงานของนายมากเอาเข็มกลับได้ไปเก็บมันให้เหมือนขนแกะที่อ่อนนุ่มและแข็งแรงเหมือนกับเหล็กนายจะสามารถเย็บทุกอย่างได้และจะไม่มีใครสังเกตเห็นรอยที่นายเย็บได้พี่น้องทั้งสี่ได้กลับมาในที่ที่สัญญากันไว้ว่าจะเจอกันหลังจากนั้นสี่ปีจากนั้นพวกเขาได้กลับไปที่บ้านด้วยกัน เมื่อพวกเขามาถึงที่บ้านเขาได้บอกพ่อของพวกเขาว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรมาบ้างวันหนึ่งพวกเขาทั้งสี่ได้นั่งลงใต้ต้นไม้กับพ่อของเขาที่นอกบ้านแล้วพ่อของพวกเขาก็กล่าวว่าวันนี้พ่ออยากเห็นทักษะของแต่ละคนที่ได้เรียนมามีรังนอกอยู่บนต้นไม้บอกพ่อมาสิว่ามีใครอยู่กี่ฟองห้าครับเอาลาราบ ลูกไปเอาไข่ที่แม่นกนั่งทับเพื่อที่จะฟักไข่มาให้พ่อแต่ว่าแม่นกต้องไม่รู้ตัวรับปีนขึ้นต้นไม้เพื่อไปขโมยไข่โดยที่แม่นกจะต้องไม่เห็นเขา <S <s <iffe> <S เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นแม่นกยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าไข่ได้หายไปจากใต้ท้องแล้วว้าวเยี่ยมมากชายหาปลาเอาไข่วางบนโต๊ะสี่มุม แล้วพูดกับลูกชายของเขาอเล็กซ์ว่าตัดไข่เอาเป็น4ี่ชิ้นด้วยลูกสอนลูกเดียวและนกข้างในต้องไม่มาเจ็บอเล็กซ์เอาลูกสอนออกมาและด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวทำให้เขาตัดไข่ทั้ง4ี่เป็น2ชิ้นชายหาปลาดีใจมากที่ได้เห็นและเขาก็ได้พูดกับลูกชายอีกคนแฮร์รี่ว่าและตอนนี้เย็บไข่เข้าด้วยกันเพื่อที่นกตัวนั้น ได้มีลูกสกสสืบแฮร์รี่เอาเข็มออกมาและเย็บไข่เข้าด้วยกันและรอปก็นำไข่ไปคืนในรังแม่นกก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่าเกิดอะไรขึ้นดีมากลูกพอ่อลูกทุกคนได้เรียนรู้ทุกอย่างภายในสี่ปีพ่อไม่มีอะไรจะให้แต่พ่อการันตีได้ว่าชีวิตจะให้รางวัลของการทำงานหนะักหลังจากนั้นไม่กี่วัน เขาก็กระจายไปทั่วราชาอาณาจักรว่ามีมังกรได้ลักพาตัวเจ้าหญิงไปพระราชาประกาศว่าใครก็ตามที่หาเจ้าหญิงเจอจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงลูกพ่อลูกมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของลูกแล้วไปไปช่วยเจ้าหญิงจากมังกรพี่น้องทั้งสี่ได้เตรียมตัวเพื่อจะไปช่วยเหลือเจ้าหญิง โคลเห็นจากกล้องสองทางไกลและพูดว่าท่านเห็นแล้วว่าเจ้าหญิงอยู่ที่ไหนมังกรเอาเธอไปซ่อนไปที่เกาะกลางทะเลและมังกรก็อยู่ที่นั่นคอยระวังอยู่ตลอดเวลาพวกเขาไปหาพระราชาเพื่อที่จะขอเรือเพื่อนบพวกเขาไปที่เกาะแห่งนั้นพระราชาได้มอบเรือมาให้และพวกเขาทั้งสี่ก็เดินทางมาถึงเกาะโคลมองผ่านกล้องสองทางไกลและพูดว่า มังกรนอนอยู่ใกล้ๆและหัวของมันก็อยู่บนตาของเจ้าหญิงฉันไม่สามารถเล็งเป้าได้เดี๋ยวเจ้าหญิงจะโดนลูกหลงไปด้วยเดี๋ยวนะฉันจะไปขโมยเจ้าหญิงมาพวกนายเตรียมเรือให้พร้อมครับไปขโมยเจ้าหญิงมาแต่ขณะที่กําลังกลับมาที่เรือนั้นมังกรได้ตื่นขึ้นแล้วบินมันเหนือพวกเขามังกร ได้ตามพวกเขามาและเกือบทำร้ายพวกเขาแต่อเล็กยิงลูกศร อ, ออกไปก่อนทำให้มังกร น, นั้นตายและมังกร น, นั้นตกลงไปที่น้ำอย่างแรงทำให้น้ำเชี่ยวและเรือแตกออกเป็นเสี่ยงพวกเขาลอยอยู่เหนือน้ำด้วยไม้ไม่กี่ชิน้นแฮร์รี่จึงนำเข็มและได้ที่หนามากๆออกมาเย็บไม้เข้าด้วยกันและไม่นานพวกเขาก็สามารถนั่งบนไม้ได้ทุกคนและพวกเขา ก็ได้พาเจ้าหญิงกลับมาที่บ้านอย่างปลอดภัยพวกเขาพาเจ้าหญิงมาหาพระราชาและพระราชาพูดว่าพวกนายตัดสินใจกันเองว่าใครจะได้แต่งงานกับลูกสาวของฉันเมื่อได้ยินเช่นนั้นพี่น้องทั้งสี่ก็เริ่มทะเลาะ ก, กันเองไม่ใช่ฉันลหรอที่เจอเจ้าหญิงพวกนายสามคนทำอะไรฉันต้องได้แต่งงานกับเจ้าหญิง ไม่ใช่ฉันเหรอที่ช่วยเจ้าหญิงจากมังกรพวกนายสามคนทำอะไรฉันต้องได้แต่งงานกับเจ้าหญิงไม่ใช่ฉันเหรอที่ฆ่ามังกรไม่งั้นพวกนายสามคนจะพาเจ้าหญิงกลับไปได้อย่างไงพวกนายจะแต่งงานกับเจ้าหญิงได้อย่างไงฉันต้องเป็นคนที่แต่งงานกับเจ้าหญิงไม่ใช่ฉันเหรอที่ต่อเรือทําไมอย่างนั้นพวกนายก็จมลงไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องได้แต่งงานกับเจ้าหญิง การได้เห็นพี่น้องทั้งสี่ทะเลาะ ก, กันแบบนี้พระราชาได้ตัดสินใจว่าจะไม่มีใครได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเลยสักคนเดียวพระราชาได้ให้ดินแดนครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเป็นรางวัลกับพี่น้องทั้งสี่พี่น้องทั้งสี่มีทุกอย่างตามที่ต้องการด้วยเหตุนี้ชายหาปลาก็ขจัดความยากจนได้และพวกเขาก็อยู่ได้กันอย่างมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์